Bukhavato. Arahato sammasambhutatsa. Namo tatsa Bukhavato. Arahato sammasambhutatsa. Namo tatsa Bukhavato. Arahato sama sambhudhatsa nimittang sadurupanang katanyo katavethita t'e. Kho okat, kho me เทราโนเทระโทจักนี่ไปจักแสดงพระธรรมเทศนา ก็ว่าวันนี้ซึ่ง a pedestrian per l' Cornell. A entrar a prop shirt A carrer a sarca T not бere ได้ให้มีการให้เมกานบำเพ็ญบุญถวายแก่อดีต <c oughs> พระเดชพระคุณพระโสดิธรรมรังสีคัมภีเมธาจารย์ท่านพลี ทางวัดอโศการามโดยมีพระเดชพระคุณพระยานิวิเศษหลวงพ่อทองพร้อมด้วยคณะ <coughs> <doy> ที่ร่วมแรงร่วมใจจัดให้ 47 นับตั้ง va getting officiaterNet om l'air uma esteria o dropout de vizieria o recakuta Sal spreads 251 isbora ชาวอารามวิเศษของพ่อทองจิตอันสําคัญ เอาเราเมธานะที่เป็นพุทธะอเสณกชนโอประกาศ คือที่เพ่งที่ระลึกเป็นเครื่องยึดแนวทาง เป็นแก้วอันประเสริฐคือสามารถที่ ตลอดถึงปรมัตถประโยชน์มันสูงที่เป็นนามธรรมก็ดี <c oughs> อันเป็นส่วนที่ชะบันดาลให้ ที่ตอนจะพึงกระทําให้สําเร็จเช่นความสุขที่เกิดเจ้าขอไม่สับมีลาภมียศเราค้ํายกย่องสนับสนุน ตอนสัมราอายุคถะประโยชน์ที่ ที่สุดของชีวิตนั้นพระพุทธเจ้าทรง เม็ดเป็นต้นลมไฟเป็นต้น ตัณหาอุปทานกรรมที่เราคติคือภพๆตาม อ่างสั่งสมอบรมละในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ที่ได้สั่งสมอดีตทั้งส่วน Rùm gàn kèo gặp gràm svo'n tí pèrn pàtjuban Thì dà gòi tàm vai Gòi ja nằm pai sù kattit Khop hùm Tàm phấn hèng gràm Thì chì tè sẵn sòm vai แท้ที่ในทางพระพุทธศาสนาของเรา องค์ไม่คิดมันๆซึ่งเป็นเรื่องซอมมองของ โภคติเป็นอันหวังได้ไม่ต้องสงสัยคือไม่ต้องไปถามใครรู้อยู่ที่ใจใจเป็นผู้รู้ใจเป็นโลก อันจิตย่อมนําไปโลกก็ ในทางพระพุทธศาสนานั้นผู้เข้าถึงพระ เพราะฉะนั้นการประพฤติธรรมหรือ <c oughs> วิญญาณที่ออกจากร่างนี้จะไปสู่ที่ใดที่หนึ่งจะต้องไปสู่สุขติ และจับความดีนั้นจะเป็นสิ่งที่ปรากฏผู้ของทุกคนเว้น ท่านประเดช เอาเราทั้งหลายได้มาปรารภ ซึ่งสิ่งที่เป็นความดีเข้า เจตใจของบรรดาผู้มีบุญกุศลประกอบด้วยความ อันเป็นผลเกิดจากการกระทํา สรีระร่างอันพระเศร้าวิญญาณ แต่ความดีที่เถิดพระคุณได้กระทํามนุษย์และเทวดาทั้งหลายก็ ชื่อเสียงแห่งความดีนั้นย่อม ที่ควรแก่การน้อมนึกควรแก่การในการที่ได้สัมผัสนึกและ อันนี้คือความสุขอันเป็นผลที่ ปฏิบัติหน้าที่อาทิในความเป็นที่พวกเรา <c oughs> จิตโมนุสสะปฏิลาภ์การที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่ยากเป็น และความถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงค์การที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักธรรมเข้าถึงประการ คือสุอติปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีอุชุบอติปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงยายะปฏิปันโนปฏิบัติเพื่อ คือสามารถที่จะยกจิตองค์ตน ยกจิตให้อยู่เหนืออำนาจของรับของ เขานมัสการของที่เขาจัดไว้ตอนรับสมควรที่แก่การที่จะ การแสดงความนอบน้อมต่อผู้ปรารถนาความสุข อุตตระคุณยากเศษอังโลกัสสะเป็นเนนเรา พุทธบริษัททั้งภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาได้น้อมเอาเข้าเพื่อขจัดซึ่ง ไอ้บันเทาเอาวางไปจากจิต มากมีองค์เห็นชอบประการเริ่มตั้งแต่สมาธิทิ ก็คือเห็นว่าการทำดีได้ดี <c oughs> ก็คือเห็นอริยสัจธรรมเรียกว่าอริยสัจสิเห็นสัจธรรมตามสภาพแห่ง ก็คือไตรลักษณ์ไตรลักษณ์อนิจจตาทุกขตาอนัตตตาคือทุกข์จะหมดไห้อีรอดมรรค คือความเกิดความทนทุกธรมาณไปสู่ชรา ในที่สุดที่สุดก็เข้าถึงมรณะทุกข์ทุกข์ น้อมเข้ามาสู่ใจของเราเข้าพิจารณาเห็นว่าสู่ใจของเราสู่กายชีวิตอัตภาพร่างกายอังโสณที่เป็นรูปธรรมทั้งส่วนที่เป็น อยากจิตของเราให้เห็นสภาพ สังขารทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นก็ไม่เป็นไปตาม ตามความปรารถนาตามความต้องการบางครั้งก็เป็นทุกข์พอพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รัก เพราะอะไรเพราะอะไรทุกข์นั้นย่อมมีเหตุมีปัจจัยที่ทํา ทำให้เกิดความดิ้นรนตัณหาคือความ ความทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้น ทำให้หมดสิ้นไปอยากนั้นให้สิ้นสุดให้หมดสิ้นไปๆ อันนี้เป็นสิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นถอน จิตละแล้วจากตัณหากล่าวคือ สิ่งที่ถอนตัณหาถอนจิตๆจิต <c oughs> ตกอยู่ส่วนผู้ที่พิจารณาอำนาจของพิจารณาให้เห็นว่าก็ไม่เที่ยงเป็นทุก เป็นอนัตตาไม่เป็นไปตามความจนเกิดความชํานาญจนจิตนั้นไม่ๆจิตถึง ไม่ดิ้นรนไปตามกระแสของตัณหาอิเป็นสถานที่ หรือเป็นที่สุดแห่งทุกข์ที่ ที่เยนําไปสู่ความชั่วนําไปสู่ภพๆเริ่มจากความแก่ <c oughs> ไสสู่ที่สุดแห่งทุกข์คือความ พวกผู้เจริญทุกท่านได้มาพร้อมใจกันอารพความเพียนท่านได้มาพร้อมใจ พระคุณของผู้ส่งไว้ซึ่งคุณอันประเสริฐเอ่อ P'l'i. Ah, síng'p'en B'u l'afà i ja'an. E'n i ja'an b'u t'i khon phop L'aq p'a t'i vat Thì b'en sà j'a tham K'ong-ong-sum-deh-p'a s'ma อดีตที่เกิดขึ้นจากคุณท่านที่เกิดขึ้นจากอามพยายาม และยอมรับของบรรดาพุทธศาสนิกชนศีลญาณสิทธิ์ <c oughs> ทำให้เกิดความความดีทั้งหลายใจทําให้ ซึ่งเป็นการแสดงออกซึ่งคุณธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงทรงแสดงว่าเป็นเครื่องหมายของคนดีดังที่ได้ยกขึ้นเป็นครูเทศ อัตตโยกตเวทิตาบุคคลผู้มาระลึกๆเพื่อเป็นการตอบแทน ตอบก็คือสืบทอดไว้ตอบแทนคือการสืบทอดไรก็คือสืบทอดไว้ ความดีอันนั้นไว้พระพุทธเจ้าเพราะเป็นผู้ ผู้เป็นเพื่อความดีนั้นท่านเป็นสมบัติของโลกกระทำไว้เป็นแบบอย่างอนุชนผู้เกิดมาสุด <c oughs> ในแนวทางปฏิบัติแนวทางปฏิบัติเพื่อยังประโยชน์ทั้ง Sotar, Ptipon, Saitacamimak, Saitacamimak, Anakamimak, Anakamimak, Anakamimak, Aratmat, Aratpon, Cue karen t'am thuk t'ang huit t'ang prong, Haït zin p'ay, ja, kwam wang, kue wang ja, kit jaj, wang ja, kwam shua, Ja, iit t'i ja, wang ก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยคือความดีต้องเอาใส่เหตุปัจจัยคือประการทานศีลภาวนาภาวนานั้น ทุกลมหายใจเข้าออกทุกอิริยาบถเมื่อมาระลึกถึงอ้อมดีแล้วจะทําให้เกิดความสุข <c oughs> ไม่มีทุกข์มีแต่ความสุขที่ปรากฏ ตวาธุปทานสีลัพพตุปทานอันเป็นตัวปัจจัยที่นําเข้า Thí ồn dũng-đet-phà-sàm-ma-sàm-bu-tí-chàu Ràu ồn-sàm-cà-t-sàm-vay Mưa era là non nam không ai sụt chạy Càn đáy sàm máy đầy Coi chè thấm mẹ kèt khoam sục Thấm mẹ kèt khoam lôn เพราะฉะนั้นจึงขออนุมัตินาในกุศลของ บรรดาท่านผู้เจริญข odd บริษัททั้ง Up osrop analyzing Młość, there is此, what he rezətata, it Could take intensively and eben to carry out this, this woman where Dsitri brothers gives kind of a good Because this woman banks would judge beer จงถึงซึ่งความเจริญงอกงามไผ่ จงกําจัดซึ่งกิเลสอสวะเอาองค์เถเล จงแก่ทุกท่านมีแก่ทุกท่านที่มีจิตถอนซึ่งปะปัญจธรรมทํา คือความแก่ความแก่ความเจ็บและความ การแสดงพระ